การเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องกำเนิดที่สี่จากผลงานเขียนของอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณและจัดพิมพ์โดยสำนักค้นคว้าทางวิญญาณเรื่องกำเนิดที่สี่นี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโอปะปะติกะโดยเฉพาะตามที่อาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณได้กล่าวถึงการเขียนเรื่องนี้ไว้ในคำนำในการพิมพ์ตอนหนึ่งว่า หนังสือเรื่องกำเนิดที่สีน่นี้เป็นการบรรญายเกี่ยวกับเรื่องโอปะปะติกะโดยเฉพาะโอปะปะติกะนั้นเป็นชีวิตประเภทหนึ่งในจำนวนกำเนิดสี่อย่างคืออันทชาโยโญนิชลาภูชาโยนิสังเสรชาโยนิโอปปาติกะโยนี้จากหัวข้อนี้จะเห็นได้ว่า พวกโอปปาติกะทั้งหลายนั้นเป็นกำเนิดอันที่สี่ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้ชื่อกำเนิดที่สี่อันทชาโยนี้หมายถึงกำเนิดของชีวิตประเภทที่ออกมาเป็นไข่แล้วมาฟักเป็นตัวในภายหลังเช่นนกเป็ดไก่และรวมไปถึงชีวิตทุกประเภทที่ต้องออกมาเป็นไข่ซึ่งมีเปลือกแข็ง แล้วมาฟักเป็นตัวในภายหลังเช่นงูจระเข้เป็นต้นก็เรียกว่าอันชาโยนี้ชาลาผู้ชาโยนี้หมายถึงชีวิตประเภทที่ออกมาเป็นตัวเลยเกิดในมดลูกและออกมาจากมดลูกเช่นคนวัวควายเป็นต้นเรียกว่าชาลาผู้ชาโยนี้สังเสรชาโยนี้ หมายถึงชีวิตประเภทที่เกิดในที่ชื้นแฉะสกปรกเกิดในซากศพปลาเน่าเนื้อเน่าในหลุมโศครกทั้งหลายซึ่งก็ได้แก่พวกหนอนหรือพวกพยาธิทั้งหลายรวมไปถึงพวกจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคทุกชนิดก็เรียกว่าสังเสทชาโยนิโอปปาติกะโยนิพระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าได้แก่พวกเทวดาทั้งหลาย พวกสัตว์รม์ทั้งหลายมนุษย์บางประเภทวินิบาตคือพวกเปรตบางประเภทชีวิตอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะนี้สําหรับคนที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องและเชื่อว่าชีวิตประเภทนี้มีจริงนั้นเขาจะรู้สึกว่า เรื่องนี้ทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจายอย่างถูกต้องและต้องมีความเชื่อด้วยเพราะการเรียนรู้และยอมรับเรื่องนี้ว่ามีจริงเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นจะได้รับประโยชน์มากมายเช่นจะทำให้มีการปล่อยวางเกี่ยวกับเรื่องตัวตนเรื่องวัตถุและเรื่องอื่นๆเช่นทรัพย์สมบัติเงินทอง เรื่องชื่อเสียงและอื่นๆอีกมากรวมทั้งจะเป็นหลักหรือเป็นพื้นฐานให้เกิดศรัทธาในอันที่จะประพฤติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและจะมีศีลธรรมเกิดจากตนเองโดยไม่ต้องปรารบถึงคนอื่นหรือเหตุการณ์อื่นๆและเป็นพื้นฐานสำคัญในอันที่จะทำให้รู้แจ้งเรื่องอริยสัจ ซึ่งถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโอปะปะติกะแล้วก็เป็นอันหวังได้ว่าจะไม่มีทางรู้แจ้งเรื่องอริยสัจไม่มีทางจะรู้แจ้งว่าคนเราในเมื่อยังมีเจกลีดอยู่ตายแล้วจะต้องเกิดไม่มีทางที่จะยอมรับหรือเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าบุญบาปมีจริงผลของบุญและบาปมีจริง และจะให้ผลเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสจริงนรกสวรรค์มีจริงอย่างนี้เป็นต้นรวมความว่าการศึกษาเรื่องโอปะปะติกะให้เข้าใจายอย่างถูกต้องและยอมรับว่ามีจริงนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในสัมปรายกพ็พบภายภาคหน้ารวมทั้งประโยชน์สูงสุดคือปรมัทพประโยชน์ด้วย ในหนังสื อ, อนิตยสารวิญญาณซึ่งเป็นหนังสือรายเดือนได้ออกมาตั้งแต่ปี2508ในหนังสือวิญญาณทุกฉบับที่หน้าปกของหนังสือวิญญาณทุกเล่มจะมีคําว่ายุควิญญาณคือรุ่งอรุณแห่งยุคพระศรีอารพิมพด้วยอักษรตัวโตและในด้านในของปกหน้าจะมีคําอธิบายไว้ทุกฉบับว่ายุควิญญาณ หมายถึงยุที่ปัญญาชนในโลกเชื่อว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงกฎเกณฑ์ของชีวิตสภาพของชีวิตในสากลจั ก, กรวาลขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณตาเห็นคือวิญญาณเห็นหูได้ยินคือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดคือวิญญาณนึกคิดผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วจะต้องเกิดอีก และทุกวิญญาณจะต้องเป็นไปตามกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ววานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นหลังจากตายแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่โอปปาติกะมีจริงดังนี้เป็นต้นเมื่อใดปัญญาชนทั่วโลกเชื่อในหลักต่างๆดังที่กล่าวมาเมื่อนั้นโลกยุนยุกของวิญญาณ ยุควิญญาณไม่ใช่ยุคที่คนทั้งหลายพากันนับถือผีและมีการเส้นไหว้ขอพรเหมือนในยุคโบราณที่ผ่านมาแล้วยุควิญญาณก็คือยุคที่คนทั้งหลายเข้าใจพุทธพจน์ ท, ที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามวรูปวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงยุควิญญาณเป็นยุคที่คนทั้งหลายเข้าใจถึงอํานาจวิญญาณ ที่มีอยู่ในตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเมื่อโลกก้าวขึ้นสู่ยุควิญญาณดังที่กล่าวมาสันติสุขจะมีทั่วโลกสงครามและการเบียดเบียนกันในรูปต่างๆจะหมดไปจากโลกและโลกก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและเครื่องที่จำหนวยความสะดวกสบายทุกอย่างโลกจะพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง นี่คือความหมายของคำว่ายกพระสีอานอันหนึ่งข้อมูลหรือข้อพิสูจน์ในอันที่จะทำให้คนทั้งหลายเข้าใจง่ายและยอมรับเรื่องวิญญาณตามที่กล่าวมานี้ก็มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือต้องทำการพิสูจน์ใหเห็นว่าโอปะปะติกะมีจริงและอธิบายให้เข้าใจว่า ชีวิตของโอปะปะติกะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรการพิสูจน์ให้คนทั้งหลายยอมรับในเรื่องนี้อันนี้แหละคือหัวใจสำคัญในอันที่จะทำให้เกิดความรู้แจ้งในพระธรรมคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าและเกิดศรัทธาประสาทรในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย คือไม่ใช่แต่รู้อย่างเดียวแต่จะมีความเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ทุกอย่างด้วยนักศึกษาในปัจจุบันแม้กระทั่งผู้ที่ได้เข้ามาบวชเรียนในทางพุทธศาสนาโดยตรงเป็นมหาปรเรียนมีความรอบรู้ในภาษาบาลีพุทธพจน์เป็นอย่างดีแต่แล้วกลับไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ก็มีคือไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิด ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าไม่เชื่อในเรื่องผีสางเทวดาไม่เชื่อเรื่องนอรกสวรรค์ไม่เชื่อในเรื่องผลของบุญและบาปและไม่สนใจในอันที่จะปฏิบัติในทางสมาธิและวิปัสสนาผู้ที่เป็นมหาปรเรียนแต่ไม่เชื่อในเรื่องต่างๆดังที่กล่าวมา น, านั้นมีมากหรือถึงแม้หากจะเชื่อก็เชื่ อ, อไม่สนิทไม่มีอเวจจะระสาทะ คือความเลื่อมาสที่มั่นคงยังมีความลังเลหรือความไม่แน่ใจความคลางแคลงใจอยู่เสมอและในเมื่อไม่เชื่อในเรื่องชาติหน้านารกสวรรค์ในชาติหน้าก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องอธิบายแต่เรื่องนรกสวรรค์ในชาตินี้นรกสวรรค์ในชีวิตประจาวันแม้กระทั่งเรื่องโอปปาจิกะ ก็จะอธิบายเรื่องโอปะปะติกะในสภาพแห่งชีวิตของมนุษย์โอปะปะติกะในชีวิตประจําวันของมนุษย์ซึ่งการอธิบายแบบนี้ถือได้ว่าไม่ใช่ผิดร้อยเปอร์เซ็น์มีส่วนถูกพระพุทธเจ้าก็เคยทรงอธิบายแบบนี้เป็นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเน้นแต่เรื่องชีวิตปัจจุบันพระพุทธองค์จะตราสถึงนรกสวรรค์นในชาติหน้าด้วย โอปปาติกะในชาติหน้าด้วยคือในชาติหลังจากที่ตายจากมนุษย์ทัพพุทธองจะตรัสควบคู่กันไปด้วยเสมอเพื่อมิให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดเช่นทัพพุทธองตรัสว่าบุคคลที่ทำบาปอยู่เสมอนั้นย่อมจะเดือดร้อนหรือถูกไฟเผาในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็จะเดือดร้อนหรือถูกไฟเผาอีกและทุกครั้งที่นึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ก็จะเดือดร้อนหรือถูกไฟเผาและเมื่อตายไปสู่ทุกติแล้วจะเดือดร้อนหรือถูกไฟเผาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าดังบาลีว่าอิทตัตตปติเปตจะตปะติป า, ปาปการีอุภยทถตปติ ปาปังเมกตันติตะปะติพิโยตะปะติทุขติงคโตคนที่ทำบุญไว้ย่อมจะบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงใจละจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงใจและทุกครั้งเมื่อนึกขึ้นมาว่าเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ไว้ก็ย่อมบันเทิงใจและเมื่อตายไปสู่สุคติแล้ว จะบันเทิงใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าบาลีว่าอิทะนันทติเปรจะนันทติกตะปุญโยอุพยัตถนันทติปุญยังเวกตันตินันทติพิโยนันทติสุขติงคโตจากพุทธพจน์ที่อ้างมานี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงนรกสวรรค์ผลของบาปและบุญ ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเสมอไม่ได้ทรงเน้นหนักในเรื่องในปัจจุบันและอีกประการหนึ่งเราจะเห็นว่าในกรณีของบุคคลที่ไม่อาจจะบรรลุมรรคผลได้ทันทีนั้นพระพุทธองค์จะต้องทรงสแสดงอนุปุภีกถาก่อนแล้วจึงจะทรงสแสดงเรื่องอริยสัจในภายหลังและเรื่องอนุปปภีกถา ก็คือเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและการออกจากกามห้าหัวข้อเรื่องโดยจะทรงเริ่มอธิบายเรื่องทานก่อนแล้วเรื่องศีลอ น, นิสงของทานและศีลว่ามีอยู่อย่างไรจะต้องไม่ลืมว่าสวรรค์ น, นั้นมีทั้งในโลกมนุษย์และในโลกโอปปะปิกานรกก็เช่นเดียวกัน คือข้อสำคัญยันเน้นหนักแต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือยอมรับแต่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นเช่นยอมรับนรกสวรรค์ในโลกมนุษย์แล้วปฏิเสธนรกสวรรค์ในโลกของโอปะปะติกะอย่างนี้จะทำให้เกิดความหลงผิดหรือการเข้าใจผิดได้ซึ่งโดยธรรมดาพระพุทธเจ้าจะทรงอธิบายเรื่องอย่างไหนในเวลาไหน น, น้น นั่นก็สุดแล้วแต่อุปนิสัยหรือพื้นเดิมของผู้ฟังในขณะนั้นว่ามีอยู่อย่างไรข้อสําคัญก็คือไม่ว่าพระองค์จะทรงแสดงอย่างไรผู้ฟังจะเข้าใจและยอมรับหรือเห็นด้วยเสมอทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงมีทศพลญาณเช่นทรงมีฐานาฐา น, าานัญาณปีชายอย่างรู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ ทรงแสดงอย่างไรผู้ฟังจึงจะรับได้หรือรับไม่ได้หรือถ้าพระองค์จะทรงแนะนําให้ละเว้นหรือให้ปฏิบัติอย่างไรนั่นย่อมหมายความว่าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าเขารับได้ปฏิบัติตามได้จะเป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆจึงได้ทรงแสดงอย่างนั้นและพร้อมกันนั้นก็จะไม่ทําให้ผู้ฟังเกิดการหลงผิดขึ้นด้วย จากข้อคิดในเรื่องอนุปูพีกถานี้จะเป็นการตื่นสติเป็นอย่างดีสําหรับผู้ที่ที่บายหลักธรรมหรือแสดงธรรมซึ่งไม่ควรจะมุ่งเน้นหนักไปในแง่ใดแง่หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนลืมแง่อื่นๆอาจจะเป็นผลทําให้คนทั้งหลายเกิดความเข้าใจผิดหรือหลงผิดได้หนังสือเรื่องกําเนิดที่สี่ที่เขียนขึ้นมาในครั้งนี้ ก็เพื่อประสงค์จะให้ความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องของโอปปาติกะและเพื่อจะเชี่อเห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญมากเพราะถ้าผู้ใดไม่เชื่อว่าโอปปาติกะมีก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นร้ายแรงคือเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิหรือเชื่อว่ามีแต่แปลความหมายของคําว่าโอปปาติกะไม่ตรงกับความหมายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ก็จะมีผลร้ายพอๆกับผู้ที่ไม่เชื่อเหมือนกันพรรัตนสวนุวรรณ กำเนิดที่สี่โอปปาติกะคืออะไรในคำพีมหาสีหนาตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองหน้าร้อยสี่สิบเจ็ดพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้กำเนิดสี่อย่างดูกระสารีบุตรกำเนิดชีวิตมีอยู่สี่อย่างคือหนึ่งอันทชาโยนิสองชลาภุชชาโยนิ สามสังเสธาชาโยนิ้สีอปปาติกาโยนิสารีบุตรอันทชาโยนิเป็นชนัสัตว์เหล่าใดทำลายกระปอกไข่เกิดออกมาเช่นนกเป็ดไก่เป็นต้นกำเนิดอย่างนี้เรียกว่าอันทชาโยนิชราผู้ชาโยนี้เป็นฉนสัตว์เหล่าใดเกิดมาด้วยการคลอดออกมาจากมดลูก เช่นคนเป็นต้นกําเนิดอย่างนี้เรียกว่าชาลาผู้ชาโยนิสังเสทชาโยนิเป็นชนไหนสัตว์เหล่าใดเกิดในปลาเน่าหรือในซากศพที่เน่าหรือในขนมที่บูดเน่าหรือในหลุมในบ่อที่โศกปลกกําเนิดอย่างนี้เรียกว่าสังเสทชาโยนิโอปปาติกาโยนิเป็นชไหนหนึ่งพวกเทวดา สพวกนรกสามพวกมนุษย์บางประเภทและสี่วินิบาตบางประเภทกําเนิดอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะโยนิสารีบุตรกําเนิดของชีวิตทั้งหลายทั้งหมดมีอยู่สี่ประเภทดังนี้แลคําว่าโยนิซึ่งแปลว่ากําเนิดนี้ศาสตราจารย์ริสเดวิสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกแปลว่า Origin, way of birth, place of birth, realm of existence จากคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษนี้จะทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าโยนี้ชัดขึ้นส่วนคำว่าโอปาปติกาศาสตราจารย์ริสเดวิสแปลว่า Rebirth without visible cost that is without parents as a d e ว a spontaneously birth อปพาวิชเนรีเวิขอให้สังเกตคำอธิบายข้อที่สที่ว่าโอปปะติกะโยนิเป็นฉไหนและพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายว่าได้แก่พวกเทวดาพวกนรกพวกมนุษย์บางประเภทและวินิบาทบางประเภทกําเนิดอย่างนี้คือชีวิตประเภทอย่างนี้เรียกว่าโอปปะติกะโยนิ และเพื่อที่จะให้เข้าใจชัดอีกว่าคำว่าโอปปติกะนั้นหมายถึงชีวิตที่อยู่อีกโลกหนึ่งคือปรโลโลกหรือโลกทิพย์จริงๆซึ่งไม่ใช่ชีวิตในโลกมนุษย์ฉะนั้นจะได้ยกพระสูตรมาให้ดูอีกเรื่องหนึ่งดังนี้อัตตาสามอยา่างดูกระปวธบาทปวธบาทเป็นชื่อของปริภาชกรูปหนึ่ง ได้สนทนากับพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องการดับสัญญาและอื่นๆหลายเรื่องการได้อัตตามีอยู่สมอย่างคือหนึ่งการได้อัตตาที่หยาบโอลาริโกอัตตาปฏิลาโภ 2. การได้อัตตาที่สําเร็จด้วยใจมโนโมโยอัตตาปฏิลาโภ 3. การได้อัตตาที่ไม่มีรูป อรูปโอัตตะปฏิลาโภโปรดฉบาทการได้อัตตาที่อยากเป็นชไหนอัตตาใดซึ่งมีรูปประกอบด้วยท่าสีบริโภคกวะลิงการาหารกวะลิงการาหารหมายถึงอาหารทุกชนิดที่คนกินได้ตามศัพท์แปลว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำสำหรับใส่ปาก การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตาที่หยาบสองการได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจเป็นฉนหนอัตราใดซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอายวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์การได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่สำเร็จด้วยใจสาม การได้อัตราที่ไม่มีรูปเป็นฉไหนอาตาัตราใดไม่มีรูปเป็นอัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาการได้อัตราเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตราที่ไม่มีรูปข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกกันว่าเป็นอัตานั้นโดยปกติมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งอัตราที่หยาบ ซึ่งได้แก่ร่างกายของคนเรา 2. อ, อัตตาที่สําเร็จด้วยใจซึ่งได้แก่กายชิพหรือรูปร่างของโอปะปะจิกะทั้งหลายผู้ที่มีกายชิพหรือชื่อเรียกในที่นี้ว่าอัตตาที่สําเร็จด้วยใจนั้นก็ได้แก่พวกที่เกิดในอบายภูมิสีคือนรกเปรตอสุรกายเดรัฉาน เดรัจฉานที่เป็นโอปะปะติกะก็มีและพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาและรูปประพรมในภูมิต่างๆ 3. า, ามอัตตาที่ไม่มีรูปซึ่งได้แก่พวกที่ได้อรูปประชานตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปประพรมเฉพาะข้อที่สองที่กล่าวถึงอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนั้นขอท่านผู้อ่านได้โปรดสังเกตข้อความที่เป็นพุพทธพจน์ให้ละเอียด ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัตตาที่สําเร็จด้วยใจนั้นเป็นอัตตาที่มีรูปมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องอันหนึง่งเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่สําคัญที่ว่าชีวิตที่เรียกว่าโอปะปะติกะนั้นเป็นร่างกายหรือมีร่างกายซึ่งเกิดจากใจล้วนๆไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ แต่ก็มีอวัยวะต่างๆเหมือนกับกายเนื้อทุกประการซึ่งหลักฐานอันนี้เราจะเห็นได้ชัดจากเรื่องมโนมยิทธิซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ภิกษุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีเกลเอ็ดเครื่องยียยนปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแกการงาน นํำรงอยู่มั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจะนรมิตกายที่สำเร็จด้วยใจเธอย่อมนรมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ซึ่งกายที่นรมิตขึ้นนั้นเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริบูรณ์ คือมีอยัตนาภายในครบทุกอย่างมหาราชเปรียบเหมือนบบรุษชักไส้ออกจากหญ้าปล้องฉนานจากสามัญญผลลูตร์พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าหน้าร้อยสองข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธพจน์ตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูถึงเรื่องผลแห่งความเป็นสมณนะ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 และผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงก็สามารถเจระมิตกายซึ่งมีรูปร่างหนึ่งเป็นกายสำเร็จด้วยใจสองมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนส ม, มีอินทรียบริบูรณ์เหมือนกันอันหนึ่งกายที่สำเร็จด้วยใจบางทีก็เรียกว่ากายชิพซึ่งในคำพีก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันดังนี้มีอยู่ท่านผู้เจริญ หนึ่งอัตตาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกายทิพย์มีรูปคือมีรูปร่างเหมือนกายเนื้อสองเป็นกามาพระจร 3. มีกวะลิงการาหารเป็นพักษากายทิพย์ในที่นี้ก็หมายถึงรูปกายของโอปปติกะซึ่งเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจเหมือนกันยกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า กายที่สำเร็จด้วยใจนั้นบางทีก็เรียกว่ากายทิพจากหลักฐานที่อ้างมานี้คอยสังเกตจากข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นไม่วันไหวเช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจะดำรมิตกายที่สำเร็จด้วยใจเธอย่อมดำรมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ ซึ่งกายที่นรเมศขึ้นนานเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรียบริวู์มหาราชะเปรียบเหมือนบุรุษชักไส้ออกมาจากหญ้าปล้องฉะนั้นข้อความอันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเพราะจากหลักฐานอันนี้แสดงว่าผู้ที่ได้มโนมยิทธิ คือสามารถถอดกายชิพหรือเนรมิตกายชิพได้นั้นกายชิพที่เกิดขึ้นนี้ตาธรรมดามองไม่เห็นเพราะเป็นกายชิพแต่ก็มีรูปร่างลักษณะและมีอวัยวะต่างๆทั้งภายนอกและภายในเหมือนกายเนื้อของผู้ที่นรมิตนั้นทุกอย่างและขอให้เข้าใจด้วยว่ากายชิพหรือกายเนรมิตนี้ ก็จะมีเสื้อผ้าสวมใส่อยู่เหมือนกายเนื้อนั้นด้วยคือไม่ใช่เป็นกายทิพย์ทีเ่เปลือยเช่นเดียวกับผู้ที่ตายจากโลกมนุษย์แล้วเกิดเป็นโอปปาติกาซึ่งกายทิพย์ที่เกิดใหม่หลังจากกายเนื้อตายนั้นก็จะมีเสื้อผ้าสวมใส่อยู่เหมือนเมื่อตอนอยังไม่สิ้นใจ หลักฐานต่างๆเท่าที่ได้กล่าวแล้วนี้เมื่อสรุปก็จะมีหัวข้อหรือประเด็นที่สําคัญดังนี้คือ 1. อัตภาพหรือตัวตนเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดทุกพบทุกภูมินางเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีเพียงสามอย่างคืออัตตาที่หยาบคือกายเนื้ออัตตาที่ละเอียดคือกายชิพและอัตตาที่ไม่มีรูปคืออัตตาของอรูปประพรม 2. กายชิพหรือ ก, กายเนรมิตของผู้ที่ได้มโนมยิทธิ 3. ทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกในเมื่อยังมีกิเลสและจะต้องเกิดทันทีด้วยซึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นทันทีก็คือเกิดเป็นโอปปจิกะ4ี่กำเนิดมีอยู่สี่อย่างและข้อที่สี่คือโอปปจิกะโยนินัน พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าได้แก่พวกเทวดาพวกนรกพวกมนุษย์บางประเภทและวิญญาณบางประเภทฉะนั้นถ้าหากเข้าใจถึงประเด็นเหล่านี้แจมแจ้งแล้วเราก็จะเข้าใจได้ชัดและเชื่อด้วยว่าโอปปปาติกะกำเนิดที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นั้นมีแน่นอนและจะไม่มีความหมายเป็นอื่น นอกจากจะหมายถึงพวกกายทิพย์ซึ่งเป็นอธิสมานกายและมีอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ใช่มีรูปร่างเป็นกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์อันหนึ่งเมื่อพูดถึงเทวดาทั้งหลายแล้วบางคนอาจจะแปลความว่าได้แก่บุคคลชั้นสูงเช่นพระราชาพระราชนีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าหากใครจะเข้าใจเช่นนี้ก็ได้ แต่ก็ขอให้เข้าใจไปให้ตลอดอย่าอ้างเฉพาะจะเรื่องสมมติเทพเท่านั้นเพราะในเรื่องเทพนี้ในคำพีก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันแต่กล่าวว่ามีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสมมติเทพเทวดาโดยสมมติสองอุปติเทพเทวดาโดยกำเนิดสามวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ ข้อความที่อ้างมานี้มีอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกเล่มที่สาสิบหน้าร้อสิบสองข้อสองร้อสิบสี่ซึ่งในคำพีนี้ได้อธิบายไว้ดังนี้พระราชาพระเทวีพระราชากุมารเรียกว่าสมมติเทพเทวดาชันจาตุมมหาราชชันดาวดึงยามาดุสิตนิมมานอรดี ปรินิมิตะวสวัส ด, ดีและเทวดาที่นับเนื่องอยู่ในจําพวกพรมทั้งหลายเรียกว่าอุปปัติเทพพระอาราหันต์ขี่นาศพทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระสถาคตและพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกว่ามิสุทธิเทพจากข้อความในคำภีร์นี้ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยทีเดียวว่าพวกเทวดาซึ่งพระพุทธเจ้าจัดว่า อยู่ในประเภทโอปะปะจิกะกำเนิด น, นั้นได้แก่เทวดาและพรหมทั้งหลายเช่นเทวดาชั้นจาตุมมหาราชอย่างนี้เป็นต้นและที่กล่าวไว้นั้นก็เป็นตัวอย่างโดยสังเขตเท่านั้นเพราะพวกภุมมะเทวดาหรือลุกขาเทวดาก็จัดว่าเป็นอุปปจิเทพเหมือนกันฉะนั้นจึงเป็นสรุปได้แน่นอนว่า พวกโอปาปาติกาช่างหลายนั้นจะต้องเป็นพวกกายทิพย์หรือเป็นพวกอธิสมานกายเป็นกายซึ่งเกิดจากใจล้วนๆและเกิดเป็นตัวตนสมบูรณ์ขึ้นในทันทีทันใดเหมือนกับตัวเราที่เกิดขึ้นในความฝันฉะนั้นอันหนึ่งเพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นอีกว่าโอปาปาติกาโย น, นี้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายไว้ว่า ได้แก่พวกเทวดาทั้งหลายนั้นก็คืออุปปติเทพคือเทวดาที่เป็นอปปปาติกะฉะนั้นจึงขอให้ศึกษาจากพระสูตรดังต่อไปนี้อีกพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นเทวดาทรงเจรจากับเทวดาด้วยวิธีทางสมาธิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ที่ภูเขาหินพื้นราบแห่งหนึ่ง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 ครั้นแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเทวดาอ ง, ง, า น, อง น, นั้นองนี้จติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยวิบากรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเทวดาแต่ละองมีอาหารอย่างไรสเสวยสุขและทุกอย่างไรครั้นแล้วต่อมาเราก็รู้ว่าเทวดาอ ง, ง, า น, อง น, นั้นองนี้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 สเห็นรูปทั้งหลายได้สอยู่ในสมาธิเจรจาไต่าถามกับเทวดาทั้งหลายได้4รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มาจากเทพนิกายนั้นเทพนิกายนี้หรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้จุติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยวิบากของกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ห รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอาหารอย่างนั้นอย่างนี้สเสวยสุขและทุกอย่างนั้นอย่างนี้ 7. รู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้มีอายุยืนนานเท่านั้นเท่านี้ 8. และรู้ว่าเราได้อยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ในครั้งก่อนด้วยหรือไม่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 ในโลกนี้ในเทวโลกในมารโลกในพรหมโลกในหมู่ประชาซึ่งมีทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่เพราะเหตุที่อธิเทว ญ, ญาณทัศนะซึ่งมีปริวัตรแปดของเราบริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิ ญ, ญาณว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกนี้ในเทวโลก ในมาราโลกในพรหมรโลกในหมู่ประชา ة, ซึ่งมีทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและยานัศนะได้บังเกิดแก่เราด้วยว่าใจของเราได้หลุดพ้นแล้วโดยเด็ดขาดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่นี้ต่อไปการเกิดใหม่ไม่มีอีกคำว่ายานัศนะศา ส, าสาตราจารย์ริสเดวิสแปลว่า การรู้การเห็น Knowing and Seeing ส่วนมติในอัจกราิาท่านอธิบายว่าญาณทัศนะก็คือทิพกสุคำว่าอธิเทวญาณทัศนะแยกออกเป็นสองคำคืออธิเทวะคำหนึ่งกับญาณทัศนะอีกคำหนึ่งอธิเทวะมีความหมายเท่ากับอธิเทวะ เทพที่ยิ่งใหญ่เทพชั้นสูงหรือจะแปลว่าเหนือเทพก็ได้ซึ่งคำแปลนี้ศาสตราจารย์ริสเดวิสได้ให้ไว้ดังนี้อสูพิเรียออสูพรีมก็อด above the god ฉะนั้นคำว่าอ ธ, ธิเทวญาณทัศนะจึงแปลว่าการรู้การเห็นเทพชั้นสูงหรืออีกในหนึ่งแปลว่าญาณทัศนะ คือที่ประจักษ์สุที่อยู่เหนือเทพทั้งหลายนี้เป็นการแปลตามมติของศาสตราจารย์ริสเดวิสส่วนในอัตถกาถาในตอนนี้ท่านไม่ได้อธิบายไว้แต่อย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาดูตามเนื้อเรื่องแล้วคำว่าอธิเทวญาณทัศนะควรจะแปลว่าการรู้การเห็นในเรื่องเกี่ยวกับเทวดาทั้งหมดซึ่งหมายความว่า เรื่องราวของเทวดาทั้งหลายทุกชั้นทุกประเภทพระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นหมดทุกอย่างอันหนึ่งโปรดสังเกตข้อความตอนท้ายที่ว่าภิกษุทั้งหลายอาทิเทวญาณทัศนนะซึ่งมีปริวัติแปดของเรานี้ถ้ายังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงไรเราก็ไม่ปฏิ ญ, ญาณว่าเราได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธยาน แต่เพราะเหตุที่อาทิเทว ญ, ญาณทัศนะซึ่งมีปริวัติแปดของเรานี้บริสุทธิ์ดีแล้วฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญาณว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากข้อความในตอนนี้หมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงยืนยันว่าการรู้การเห็นในเรื่องเทวดาทั้งหลายของพระองค์นั้น ได้เป็นไปถึงที่สุดแล้วและทั้งทรงมีความรอบรู้ในเรื่องเทวดาดีกว่าพวกเทวดาเสียอีกและโปรดสังเกตอีกว่าการรู้การเห็นในเรื่องเทวดาเป็นส่วนประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของพระโพธิญาณกล่าวคือถ้าพระองค์ไม่ทรงรู้ทรงเห็นเทวดาด้วยพระองค์เองแล้วพระโพธิญาณก็ไม่สมบูรณ์ โปรดนึกถึงคำที่ว่าถ้าอาชิเทวายาณทัศนะไม่บริสุทธิ์ดีพระองค์ก็ไม่ทรงปฏิญาณว่าพรงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำว่ามีปริวัติแปดหมายความว่าการรู้การเห็นในเรื่องเทวดาได้เนินๆไปเป็นขั้นๆซึ่งทั้งหมดมีอยู่แปดขั้นกล่าวคือ เมื่อฝึกสมาธิจนจิตเป็นสมาธิดีแล้วครั้งแรกก็กำหนดเห็นแสงสว่างก่อนแต่ในขั้นแรกหรือในรอบแรกนี้ยังไม่เห็นรูปทั้งหลายต่อเมื่อเจริญสมาธิให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงเห็นรูปทั้งหลายแต่ถึงกระนั้นในรอบสองนี้ก็ยังเจรจาไตาถามกับเทวดาทั้งหลายยังไม่ได้ ต่อเมื่อเจอเริญสมาธิให้สูงไปอีกขั้นหนึ่งจึงเจราจาต่ายถามกับเทวดาทั้งหลายได้ดังนี้เป็นต้นคำว่าปริวัติแปลว่ารอบซึ่งริสเดวิสได้แปลไว้ว่า r า u ซ d circle succession อันหนึ่งพึงจำไว้ให้แม่นยำด้วยว่าการเห็นเทวดาจะพึงมีได้ก็ต่อเมื่อจิตเป็นสมาธิ สูงถึงขั้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นและแสงสว่างที่เกิดนี้จะต้องสว่างมากและโปร่งใสไม่มีสีอีกด้วยถ้าเป็นแสงมัวๆหรือเป็นแสงที่มีสีจะไม่อาจเห็นเทวดาได้โดยปกติผู้ที่ฝึกสมาธิได้แสงสว่างจะต้องฝึกมาจากการกำหนดแสงสว่างภายนอกก่อนเช่น แสงแสงสว่างที่เกิดจากไฟธรรมดาหรือไฟฟ้าหรือพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ได้วิธีนี้เรียกว่าเจริญอาโลกะกะสินแต่อย่างไรก็ดีคนที่ฝึกสมาธิโดยวิธีอื่นเช่นกำหนดลมหายใจถ้าจิตเป็นสมาธิสูงถึงขั้นจะตุตชาญแล้วแสงที่โปร่งใสเช่นนั้นก็เกิดได้เหมือนกัน อันหนึ่งคือสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุทิพยจักสุก่อนแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ในขณะนั้นยังทรงละ ก, กิเลสไม่ได้เพียงแต่กิเลสสงบลงด้วยอำ น, นาจของสมาธิทิพยจักสุเป็นคุณธรรมขั้นโลกียะไม่ใช่ขั้นโลกุตระซึ่งหมายความว่าคนธรรมดาก็อาจบรรลุได้ ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นอริยะบุคคลจึงจะบรรลุได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีทิพจักสุยานนี้ก็ได้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ช่วยพระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพทธยานซึ่งถ้าขาดยานอันนี้เสร็จแล้วพระองค์ก็ไม่อาจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จากเรื่องที่อ้างมานี้หวังว่า บางคนที่ชอบพูดว่าผีสางเทวดาไม่มีทราพุทธเจ้าไม่ตรัสถึงเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้ไม่มีในพระพุทธศาสนาอะไรทานอง น, นี้นั้นเมื่อได้รู้เรื่องนี้แล้วก็คงจะสงวนไม่กล้าพูดออกมาง่ายๆเช่นนี้อีกต่อไปจากพระสูตรที่อ้างมานี้จะเห็นได้ชัดว่าโอปปาติกะโยนิ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าได้แก่พวกเทวดาพวกนรกพวกมนุษย์บางประเภทและวินิบาตบางประเภทนั้นคำว่าเทวดาได้ชี้แจงมาโดยละเอียดแล้วว่าหมายถึงเทวดาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอุ ป, ปัติเทพเช่นอย่างเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้น ไม่ได้หมายถึงเทวดาในร่างของมนุษย์คือใจเป็นเทวดาส่วนร่างเป็นมนุษย์ซึ่งเทวดาในความหมายอย่างนี้ก็มีเหมือนกันและไม่ใช่มีแต่เทวดาในร่างของมนุษย์เท่านั้นพวกสัตว์พวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์ก็มีเช่นเดียวกันซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ามนุษะเนรยิโก มนุสสเปโตมนุสสอสุรกาโย ο, มนุสติรัชโนถ้าเป็นเทวดาในร่างมนุษย์ก็เรียกว่ามนุสสเทโวแต่อย่างไรก็ดีคําว่าโอปปาติกาโย น, นีซึ่งหมายถึงพวกเทวดาพวกนรกตามที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้เองนั้นหมายถึงพวกเทวดา พวกนรกที่เป็นโอปปฏติกะกำเนิดทั้งสิ้นซึ่งเป็นพวกอธิสมานกายเป็นกายที่ตาธรรมดาของมนุษย์มองไม่เห็นเป็นกายที่เกิดจากใจล้วนๆเช่นเดียวกับกายทีท่เกิดจากการเนรมิตของผู้ที่ได้มโนมยิทธิหรือคล้ายกับกายที่เกิดในความฝันเวลาที่เรานอ น, อนหลับสนิทฉะนั้นส่วนข้อที่ว่า โอปปาติกะโยนี้ซึ่งได้แก่พวกมนุษย์บางประเภทนั้นมนุษย์บางประเภทที่กล่าวนี้หมายถึงมนุษย์ในสมัยต้นกลับซึ่งเป็นพวกอภัสราพรมทั้งหลายที่มาอาศัยอยู่ในโลกนี้ในสมัยที่โลกนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีคนเหมือนอย่างคนที่มีอยู่ในเวลานี้ พวกอพสราพรมซึ่งเป็นพวกโอปะปะติกะพวกนี้แหละต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นกายหยาบคือเป็นกายเนื้อและในที่สุดก็ได้มีเพศปรากฏเป็นหญิงเป็นชายได้มีการเสพเมถุนธรรมและมีลูกซึ่งเกิดจากท้องแม่นี่คือข้อความย่อๆอของความเป็นมาของมนุษย์สมัยแรกส่วนเรื่องพิสดาร น, นั้น ต้องไปอ่านจากเรื่องอคัญยสูตรในคำพีพระใจวิดกเล่มที่ส1บอหน้า87เจข้อห้าสบอดและเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำมาเขียนไว้นานแล้วในหนังสือพุทธวิทยาเล่มสองสำหรับเรื่องวินิบาตหรือวินิปาติกะบางประเภทที่ว่าเป็นโอปปปฏิกะโย น, นินั้นในคำพีอัตถกาถาของสูตรนี้ คือมหาสีหานาถสูตรนั้นท่านอธิบายไว้แต่เพียงสั้นๆว่าในเรื่องวินิปาปิกะทั้งหลายนั้นคําว่าวินิปาปิกะนี้หมายถึงพวกเปรตทั้งหลายเช่นพวกนิจชามะเปรตเปรตที่มีไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาและพวกตันฮิกะเปรตเปรตซึ่งมีแต่ความหิวกระหายตลอดเวลาและบอกว่า เปรตพวกนี้ก็เป็นพวกโอปะปะติกะเช่นเดียวกับสัตว์นรกทั้งหลายและในตอนต่อมาท่านกล่าวว่าที่เหลือมีกําเนิดสี่ยักษ์ทั้งหลายก็ดีสัตว์ทั้งหลายเช่นสัตว์สีเท้านกและงูเป็นต้นก็ดีทั้งหมดมีได้ทั้งสี่กำเนิดเหมือนวินิปาะติกะเหล่านั้นจากข้อความนี้หมายความว่าที่ท่านว่า ที่เหลือมีกําเนิดสี่นั้นหมายความว่าพวกเปรตที่เป็นโอปะปะติกะมีเฉพาะพวกนิชามะเปรตกับพวกตันชิกะเปรตเท่านั้นส่วนเปรตประเภทอื่นนอกจากนี้เป็นได้ทั้งสี่กำเนิดคือชนิดที่เกิดจากไข่ก็มีชนิดที่เกิดจากท้องแม่ก็มีชนิดที่เกิดแบบสังเสทชาก็มีชนิดที่ผุดเกิดทันทีก็มี พวกยักษ์คือพวกอสุรกายทั้งหลายก็ดีสัตว์เดรัจฉานต่างๆก็ดีชนิดที่เกิดตามธรรมดาย่างที่เราเห็นในโลกมนุษย์ก็มีและที่เกิดในลักษณะที่เป็นโอปะปะติกะก็มี ข้อความซึ่งเป็นคำอธิบายในเรื่องกําเนิดสีดังที่พระอัถกตาจารย์ท่านกล่าวไวน้นี้มีข้อที่น่าสนใจอยู่หลายข้อทีเดียวแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ตัวอย่างของพวกเหล่านี้ไว้ฉะนั้นจึงไม่รู้ว่าวินิพาิกะหรือพวกเปรตที่เกิดแบบคนหรือเกิดแบบนกเป็ดไก่เป็นต้นนั้นมีตัวอย่างอยู่ที่ไหนบ้างเรื่องนี้คิดว่า ถ้ามีโอกาสจะพยายามค้นหาที่มาและจะเขียนเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งโดยเฉพาะคือเรื่องเปรตทั้งหลายว่ามีอยู่อย่างไรและจากคำอธิบายของท่านนี้ขอให้สังเกตไว้ด้วยว่าพวกสัตว์เดรัจฉานที่เป็นโอปปะปติกา น, นมีทุกอย่างทุกประเภทด้วยเช่นสมมติว่าวัวควายสุนัขเป็นต้น เมื่อตายแล้วก็จะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขในสภาพที่เป็นโอปปฏติกาอีกเพราะมีกฎอยู่ว่าสัตว์ทั้งหลายซึ่งรวมทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายซึ่งมีวิญญาณ น, นั้นถ้ายังมีตัณหาอยู่ในสันดานตายแล้วจะต้องเกิดอีกชีวิตทุกชีวิตจะไม่มีการสูญในเมื่อยังมีตัณหาตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหา โ, โนพนโภวิกาตัณหาทำให้เกิดอีกอันหนึ่งเมื่อเข้าใจเรื่องโอปปฏิกาถูกต้องดังที่กล่าวมานั้นจำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่าการศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างไรเพราะถ้าเข้าใจเรื่องนี้ผิดหรือเชื่อยอย่างผิดผิดก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ซ้ำจะเป็นการก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงด้วยดังเช่นที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้พระสูตรที่แสดงว่าผีและเทวดามีความเชื่อว่าผีและเทวดามีเป็นรากฐานสำคัญและจําเป็นในเรื่องศีลธรรมผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีเป็นมิจฉาทิฏฐิและได้ชื่อว่าเป็นปฏิปักษต่อพระพุทธศาสนา เป็นปฏิปากต่อพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้ที่ประกาศว่าผีและเทวดาไม่มีได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศอสัตยธรรมประกาศมิจฉาทิฏฐิดูกระระขหบดีทั้งหลายมีอยู่สมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าหนึ่งนัตถิทิ น, นงังการให้ทานไม่มีผลสอง นัตถียิดถังการบูชาไม่มีผลสามนัตถิหูตังการเคารพ บ, บูชาไม่มีผลสนัตถิสุกตะทุกตะนางกรรมมานางพลังวิปากโกผลและวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีห้านัตถิอายังโลโกโลกนี้ไม่มี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 นัตถิโอปปาติกาะพวกโอปปาติกาะไม่มีคือเห็นว่าพวกผีและเทวดาไม่มีสินัตถิสมาพราหมนาสัมมคขตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจะโลกังปารัญจะโลกังสยังอภิญญาสัชชิกัตะวะเะเวทเทนติสมาพรามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ได้บรรลุธรรมอันชอบคือบรรลุอภิญญามรรคผลและนิพพานกระทำให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญาแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มีคือเห็นว่าผู้หมดกิเลสเป็นพระราหันไม่มีหรือผู้ที่สาเร็จอภิญญาสามารถที่จะรู้เรื่องนรกสวรรค์และสามารถที่จะมีหูทิบตาชิบ เห็นเจรจาติดต่อกับโอปปติกะได้และมีอิทธิปฏิหารอื่นๆไม่มีเพราะผิดวิสัยธรรมชาติดูกระรท่านขหาบดีทั้งหลายสมณพราหม์เหล่าใดมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้สมณาพราหม์เหล่านั้นเป็นอันหวังได้ว่าจะต้องเบื่อหน่ายในกุศลธรรมสาม คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตและจะยึดถือปฏิบัติอยู่แต่ใน อ, อกุศลธรรมสามคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรก็เพราะสมณาพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นไม่เห็นโทษไม่เห็นความต่ำสามไม่เห็นความเศร้าหมองของ อ, อกุศลธรรมทั้งหลาย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 คำพูดของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาอันหนึง่งพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าปราโลกมีอยู่ฉะนั้นผู้ที่ถือว่าปราโลกไม่มีจึงได้ชื่อว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต์ทั้งหลายอีกด้วยในเมื่อตอนเองถือเช่นนั้นและสอนให้คนอื่นเชื่อตามจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกาศอสัตยธรรม และด้วยอาัตธรรมที่ตนเองประกาศออกมาเช่นนั้นย่อมจะเป็นเหตุให้ยกตนข่มคนอื่นอีกด้วยอาสตธรรมไม่คงทนต่อการพิสูจน์และผู้ประกาศอาสาธรรมใจย่อมไม่สูงฉะนั้นเมื่อถูกคัดค้านก็มักจะใช้วิธีข่มผู้อื่นเพื่อเอาชนะและย่อมละศีลได้ง่ายประพฤติอยู่แต่ในทางทุศีล ดูกราคาหาบดีทั้งหลายพระอาศัยมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมก่อให้เกิดอกุศลธรรมไม่น้อยทีเดียวอันหนึง่งในเรื่องปรโลกนี้ท่านคาหาบดีทั้งหลายสำหรับคนที่ฉลาดทั้งหลายเขาย่อมคิดว่าถ้าหากปรโลกไม่มีคนที่ทำบาปไว้ก็นับว่าปลอดภัยไปแต่ถ้าหากปรโลกมีจริง คนที่ทำบาปไว้ตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกหรือถึงแม้จะไม่พูดถึงเรื่องปรโลกแต่คนที่มีความเห็นผิดและเป็นผู้ทูกเสียงก็ย่อมจะถูกวินยูชนติเตียนในโลกนี้เองเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นผิดจึงต้องประสบผลร้ายถึงสองทางคือถูกติเตียนในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตและนรกอีกด้วย เหตุไรคนไทยจึงเรียกโอปปจิกะว่าผีหรือวิญญาณในภาษาไทยของเราเมื่อพูดถึงคนที่ตายไปแล้วและถ้าหากผู้นั้นมาปรากฏให้เห็นหรือมาหลอกหรือมาเข้าทรงเราก็จะเรียกว่าผีเข้าผีหลอกอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ก็เพราะคนตายเราเรียกว่าผีเช่นเราพูดว่าฝังผีเผาผีอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นในเมื่อคนที่ตายซึ่งเราเรียกว่าผีนั้นมาปรากฏให้เห็นหรือมาหลอกมาเข้าทรงจึงได้เรียกว่าผีเข้าผีหลอกเพราะเราไม่มีคำอื่นสำหรับเรียกชีวิตหลังจากตายและในเมื่อเราพูดถึงผีหรือชีวิตทั้งหลายในโลกของมิญญาณเราก็ยังแบ่งประเภทออกไปเป็นผีต่างๆเช่นผีเรือนผีป่าผีทะเล ผีฟ้าผีปอบผีขมวดอะไรทํานองนี้คือใช้คําว่าผีนําหน้าทั้งนั้นต่อมาเมื่อคนไทยนับถือพุทธศาสนารู้จักใช้คําบาลีกันมากขึ้นเราก็เรียกผีต่างๆเหล่านี้ว่าวิญญาณเพราะถือว่าคนเราเมื่อตายแล้ววิญญาณก็จะออกจากร่างไปเกิดใหม่คือไปแต่วิญญาณวิญญาณยังเหลืออยู่ ไม่สูญสิ้นไปพร้อมกับร่างกายและเข้าใจกันทั่วไปว่าวิญญาณของคนที่ตายไปนั้นมีรูปร่างเป็นตัวตนเหมือนกับร่างกายของคนอันนี้เป็นการเข้าใจผิดเพราะสะภาพของวิญญาณแท้แท้เป็นนามะธรรมาไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่ทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณเป็นนามธรรมาขอให้สังเกตว่า แม้ในขณะที่คนเราเกิดใหม่ๆซึ่งชีวิตในตอนนั้นเล็กยิ่งกว่าปลายเข็มมองดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ถึงกระ น, นั้นในชีวิตซึ่งเล็กถึงขนาดนั้นวิญญาณของคนที่มาปฏิสนธินั้นก็ยังมีอยู่ได้และมีอิทธิพลทําให้ไข่ที่ผสมเชื้ออสุจิแล้วนั้นเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนได้ฉะนั้น เมื่อพูดถึงวิญญาณตามความหมายของพุทธศาสนาจริงๆจึ ง, จ ง, จงไม่ใช่หมายถึงผีซึ่งมีรูปร่างเป็นตัวตนอย่างที่เข้าใจกันความจริงร่างกายที่มาปรากฏหรือมาหลอกนั้นเป็นกายชิพคือเป็นกายละเอียดซึ่งเกิดจากวิญญาณสร้างสรรค์ขึ้นมาตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป ขอได้โปรดจําไว้ให้ดีว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากวัตถุหรือรูปรธรรมใดๆทั้งสิน้นเหมือนกับน้ําในขวดน้ํากับขวดเป็นของคนละอย่างและวิญญาณก็ไม่ใช่เป็นพลังงานเหมือนกับแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอย่างหนึ่งต่างหากนอกจากสิ่งที่เป็นวัตถุ หรือพลังงานในทางวัตถุทุกอย่างวิญญาณเป็นนามธรรมซึ่งจะเรียนรู้เรื่องวิญญาณให้เข้าใจได้จริงๆนั้นต้องเรียนรู้ทางมโนสัมผัสเหมือนอย่างที่เรารู้จักใจของเราด้วยใจของเราวิธีนี้เท่านั้นจึงจะทำให้รู้แจ้งเรื่องวิญญาณจริงๆและถูกต้องตามความเป็นจริงและเครื่องมือที่จะช่วยให้รู้แจ้งในเรื่องนี้ ก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือสมาธิเพราะสมาธินี้ในเมื่อฝึกหัดไปจนกระทั่งได้สมาธิขั้นสูงสุดแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้ความสามารถที่อยู่เหนือกฎธรรมดาคือจะมีหูทิพตาทิพห่านใจคนอื่นได้ะระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ ดังที่ได้เขียนไว้มาตั้งแต่ต้นนานก็จะรู้ได้เองว่าเรื่องโอปะปะติกานั้นมีจริงพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรและจากพระสูตรที่นำมาอ้างอันสุดท้ายนี้จะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่ไม่เชื่อว่าโอปะปะติกะมีหรือเชื่อแต่แปลความหมายของคำนี้เป็นอย่างอื่นไม่ตรงกับความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้น จะมีผลร้ายเพียงใดก็ขอให้อ่านพระสูตรนี้ซึ่งเรียกว่าอปันน ก, กะสูตรอย่างละเอียดพิจารณาข้อความแต่ละตอนให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและจําไว้ให้แม่นด้วยวิธีนี้เท่านั้นจึงจะสํานึกได้ว่าการศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องโอปปะติกะอย่างถูกต้องนั้นมีความสําคัญและจําเป็นอย่างไร ผู้ที่ไม่เชื่อว่าโอปปติกะมีจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้อันหนึง่งขอได้โปรดเข้าใจไว้ก่อนว่าผู้ที่เชื่อว่าโอปปปิกะมีแต่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ถูกหรือแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ตรงกับความหมายตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นก็มีผลอย่างเดียวกับผู้ที่เชื่อว่าโอปปติกะไม่มี กล่าวคือจะเป็นอุปสรรคทำให้ไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เหมือนกันซึ่งอุปสรรคที่ว่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองซึ่งจะเห็นได้จากข้อความในตอนท้ายของอ ป, ปันนกาสูตรแต่ที่พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนนั้นมีอยู่ในเรื่องสาเลยยกสูตรซึ่งมีอยู่ในพระเตปิโดกเล่มที่สิบสอง หน้า519สข้อส8 3เฉพาะในที่นี้จะชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ว่าทำไมจึงเป็นอุปสรรคไม่ให้ไปสวรรค์ไปนิพพานประการแรกก็คือผู้ที่จะเชื่อว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วมีจริงบุญบาปมีจริงและจะต้องให้ผลตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงเช่น เมื่อทำบาปไว้มากตายแล้วก็จะไปเกิดในบายทุคติวินิบาตนรกเมื่อทำบุญไว้มากตายแล้วก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนานจำเป็นจะต้องเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วจะต้องเกิดอีกลกนี้มีอัธิอายังโลโกคือผู้ที่อยู่ในปรโลกมาเกิดในโลกนี้ได้ โลกหน้ามีอัติปโรโลโกคือผู้ที่อยู่ในโลกนี้ตายไปแล้วไปเกิดในปรโลกได้ถ้าไม่เชื่ออย่างนี้คือกลับไปเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีนัตถิอายังโลโกโลกหน้าไม่มีนัตถิปโรโลโกดังที่กล่าวไว้ในเรื่องนัชกาทิฐิสิบนั้นก็หมายความว่า ผู้นั้นเป็นอุเฉททิฐิคือเห็นว่าตายแล้วสูนนั่นเองและตามหลักซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปนั้นมีอยู่ว่าผู้ที่เป็นอุเฉททิฐิจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ไปสู่อวัยภูมิอย่างเดียวถ้าหากเป็นชนิดนิยตะมิจฉาททิติส่วนผู้ที่เป็นสัชตททิฐินั้นยังไปสวรรค์ไปเกิดเป็นพรมได้ แต่จะไปนิพพานไม่ได้ปาร้โลกก็คือโลกของโอปปาติกะอันหนึ่ง ข้อที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีคําว่าโลกหน้าซึ่งเป็นคําที่แปลมาจากคําบาลีว่าปโรโลโกนั้นความจริงปโรโลโกหรือปรโลกโลกหน้าในที่นี้ในความหมายที่แท้จริงนั้นหมายถึงโลกของโอปปะติกะนั่นเองไม่ใช่หมายถึงโลกอื่นหรือจักรวาลอื่นเพราะจากเรื่องราวต่างๆ เทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นไม่มีคำภีร์ไหนกล่าวถึงว่าผู้ที่อยู่ในโลกอื่นคือในดาวนพเคราะห์ดวงอื่นเช่นดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์หรือดาวดวงอื่นๆที่มีอยู่ในสุริยะจักรวาล น, นี้หรือในสุริยะจักรวาลไหนก็ตามมาเกิดในโลกนี้คือในดาวนพเคราะห์ดวงนี้ซึ่งเรียกว่าดาวราหูนี้ หรือคนในโลกนี้ตายแล้วไปเกิดที่ดาวดวงนั้นดวงนี้เรื่องอย่างนี้ไม่เคยมีปรากฏอยู่ในคำพีพุทธศาสนาเลยไม่ว่าคำพีไหนๆมีแต่กล่าวว่าหลังจากตายเพราะกายแตกก็จะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกหรือไม่ก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง ซึ่งภูมิที่คนเราไปเกิดหลังจากตายก็คือโลกของโอปะปะติกะทั้งสิน้นดังเช่นในเรื่องทิพจักสุซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุนั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเครื่องยียวนปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้แล้ว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 สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิทฐิยึดถือการกระทำด้วยอํานาจมิจฉาชิฏฐิเมื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทำด้วยอานาจสัมมาทิฐิเมื่อหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักสูอันบริสุทธิ์ก้าวล่วงจากสู ข, ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ณทางสามแพร่ง่าำกลางพระนครบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนปราศาสนั้นจะพึงเห็นมูชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพ่งถ้ำกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนเหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่ง่าำกลางพระนครฉะนั้นข้อความในพระสูตรนี้เป็นพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังถึงผลของความเป็นสมณะ ผลของการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์ว่ามีอย่างไรข้อความอันนี้แม้จะเห็นว่าเป็นการเล่าเรื่องของสาวกก็จริงแต่ก็อยากเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมีความสามารถเช่นนี้แค่ที่จริงแล้วสิ่งใดที่สาวกทำได้พระพุทธเจ้าก็ทรงทำได้ทุกอย่างและทำได้ดีกว่าสูงกว่าด้วยทุกเรื่อง ที่จริงพระสูตรที่เป็นการบอกเล่าถึงความสามารถของพระองค์เองว่ามีอยู่อย่างไรบ้างนั้นมีอยู่หลายสูตรเช่นในมหาสีหานาถสูตรดูตอนทศพลยานพระองค์ได้ตรัสบอกเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระองค์ทรงมีอภิญยาครบทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็ขอให้สังเกตตรงข้อความที่พระองค์ตรัสว่า ภิกษุ น, นั้นเมื่อมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติย่อมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยการทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตและอื่นๆเมื่อหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เป็นต้นคําว่าเมื่อหน้าแต่ตายพราะกายแตก สำนวนบาลีใช้คำว่ากายสเพทาปรมารนาซึ่งสำนวนอันนี้ถ้าจะแปลเป็นคำไทยชัดๆแล้วก็ต้องแปลว่าหลังจากที่ร่างกายตายแล้วสำหรับคนที่ทำบาปนั้นก็จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกและอื่นๆส่วนคนที่ทำบุญก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จากข้อความนี้เห็นได้ชัดว่าหลังจากตายไม่ได้มาเกิดเป็นคนทันทีแต่จะต้องไปเกิดเป็นอุปปตปิกะอยู่ในอบายภูมิหรือในสุคติภูมิอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งสุดแล้วแต่บุญหรือบาปจะบรรดาหรือทักจูให้เป็นไปคำว่าปรานี้โดยปกติแปลได้หลายอย่างเช่นแปลว่าอื่นหรือนอกจาก เช่นในประโยคว่านัตถิสันติฝรังสุ ข, ขังสู่อื่นจากความสงบหรือนอกจากความสงบไม่มีปะระโลกโกโลกอื่นคือไม่ใช่โลกนี้ปรมมรณามาจากคําว่าฝรังบวกมรณาโดยทั่วไปคํานี้มักจะแปลว่าเบื้องหน้าแต่ความตายก็คือหลังจากตายไปแล้วนั่นเอง ฉะนั้นคำว่าฟโรโลกซึ่งแปลว่าโลกอื่นนั้นจึงหมายถึงโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดอยู่ในโลกนี้และโลกที่ว่านี้ก็คือโลกของโอปะปะติกะนั่นเองและขอให้สังเกตอีกด้วยว่าผู้ที่ใจเห็นว่าคนนั้นคนนี้เมื่อตายจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนั้น ผู้นั้นจะต้องมีทิประจักสุจึงจะมองเห็นได้และการเห็นที่ว่านี้คือเห็นได้ทันทีแม้ในขณะที่กําลังจะตายคือกําลังจุติและเห็นได้ทันทีแม้ในขณะที่กําลังจะเกิดคือกําลังอุบัติซึ่งชีวิตที่เห็นได้ทันทีในขณะนี้ก็มีอยู่ประเภทเดียวคือพวกโอปะปะติกะเท่านั้นเพราะโดยธรรมดา ผู้ที่กําลังจะตายจะต้องมีกายชิพเกิดก่อนที่คนคนนั้นจะสิ้นใจและในเมื่อกายเนื้อตายแล้วได้มีกายชิพเกิดขึ้นมาแทนนั้นกายชิพที่เกิดจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรจะไปอยู่ในพบไหนภูมิไหนก็มองเห็นอีกในความหมายอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติ เลวประนีดมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดีตกยากด้วยทิปจากสู่อันบริสุทธิ์ก้าวล่วงจากสู่ของมนุษย์ดังนี้เป็นต้น ชีวิตของพวกโอปะปะติกาทั้งหลายเป็นข้อมูลที่ทําให้รู้แจ้งเรื่องต่างๆดังนี้หนึ่งวิบากของกรรมจากตัวอย่างในพระสูตรที่อ้างมานี้นอกจากจะทําให้เข้าใจคําว่าโลกนี้โลกหน้าหรือปรโลกดีแล้วยังทําให้เราเข้าใจถึงเรื่องผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจำแจ้งอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่า คนที่ทำบาปหรือทำบุญเอาไว้จะมีผลเป็นอย่างไรนานถ้าสังเกตจากชีวิตในโลกมนุษย์จะเข้าใจยากและอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้อีกด้วยเพราะคนในโลกมนุษย์นั้นเมื่อทำกรรมอันใดลงไปแล้วกว่าจะเห็นผลก็ต้องใช้เวลานานมากเหมือนกับการเกิดของคนเรากว่าจะเป็นตัวเป็นตนเป็นร่างกายที่จเจริญเติบโตเต็มที่ ก็ต้องใช้เวลานานา น, นับเป็นสิบปีขึ้นไปแต่เมื่อคนเราตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นโอปปปติกะใช้เวลาเพียงขนาดจิตเดียวก็มีร่างกายเกิดเจริญเติบโตเต็มที่นี่คือหลักธรรมดาในโลกของโอปปปติกะและในทำนองเดียวกันคนที่ทำบุญหรือทำบาปไว้บุญหรือบาปจะให้ผลอย่างไรก็เห็นได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลานาน และผลของกรรมดีกรรมชั่วในโลกของโอปปะปติกะนั้นเห็นได้ชัดเจนไม่ซับซ้อนไม่กลับกันคือจะให้ผลอย่างตรงไปตรงมาตามกฎที่ว่าหวานพืชเช่นใด ย, ย่อมได้ผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขอให้อ่านข้อความจากในพระสูตรนี้ให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า กรรมดีกรรมชั่วให้ผลทันทีหลังจากตายพระพุทธเจ้าทรงเห็นตัวอย่างของคนทำดีทำชั่วจากคนที่เมื่อตายไปแล้วได้รับผลเป็นอย่างไรนั้นพระองค์ทรงเห็นมามากมายและเห็นได้ทุกชั้นทุกภูมิขอให้อ่านดูข้อความในเล่มนี้หน้ายี่สิบหกอีกครั้งที่กล่าวว่าพระองค์ทรงรู้ว่าเทวดาองค์นั้นองค์นี้ จุติจากที่นั้นที่นี้แล้วไปเกิดในที่นั้นที่นี้ด้วยวิบา ก, กรรมอะไรและข้อความที่ว่าถ้าธิเทวญาณทัศนะของพระองค์ซึ่งมีปริวัติแปดยังไม่บริสุทธิ์ดีเพียงใดพระองค์ก็จะไม่ทรงปฏิญาณว่าได้สำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นต้นข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การที่พระองค์ทรงรู้เรื่องผลของกรรมโดยตลอดและสามารถที่จะยืนยันถึงผลของกรรมว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนนั้นก็เพราะพระองค์ทรงมองเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนจากชีวิตในโลกของโอปปติกะนี่แหละฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าถ้าไม่มีอธิเทวญาณทัศนะคือไม่รู้เรื่องของโอปปตฏิกะเป็นอย่างดีแล้ว พระองค์ก็ไม่อาจจะยืนยันได้ว่าทรงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสองตายแล้วเกิดการที่จะรู้แจ้งว่าทุกคนที่ยังมีกิเลสยังไม่สาเร็จเป็นผ้ารหาหันตายแล้วก็ยังจะต้องเกิดอีกซึ่งหลักอันนี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีวิญญาณคลองคือแปลว่า แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเช่นหมูหมาเป็ดไก่ปูปลานกหนูเหล่านี้เป็นต้นตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกทั้งนั้นเพราะถ้าไม่ยอมรับความจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วก็ไม่อาจจะรู้แจ้งในเรื่องอริยสัจสี่ได้ทั้งนี้ก็เพราะการที่จะรู้แจ้งว่าการเกิดเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรจะเกิดดีหรือไม่ดี จะเกิดในอบยายภูมิหรือสุคติภูมิก็เป็นทุกข์ทั้งสิน้นการจะรู้แจ้งคือรู้สึกสำนึกได้จริงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์นั้นจะต้องยอมรับว่าเราเคยเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท้วนและเมื่อตายแล้วก็ยังจะต้องเกิดอีกและเมื่อนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าคนเราแต่ละคนนั้นเท่าที่ได้เกิดมาแล้ว ถ้าจะเก็บเอากระดูกไวท้ทุกๆชาติไม่ให้สูญหายไปไหนเลยรวมรวมกันไว้ก็จะเป็นกองใหญ่ขนาดเท่าภูเขาวเวปุลบันพศซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งในจำนวนภูเขาห้าลูกที่ล้อมรอบเมืองราชครื้เช่นนี้แล้วเราก็ย่อมจะรู้ว่าการข้างหน้าซึ่งเร า, าจะต้องเกิดอีกนั้นก็จะต้องมีอีกนานมาก และอย่างนี้เราก็ยังเลือกที่เกิดไม่ได้แต่แล้วก็ต้องเกิดดูจะเป็นการเสี่ยงกับความทุกข์ยากต่างๆซึ่งจะต้องมีอีกข้างหน้าอีกมากมายผู้ที่เห็นแจ้งอริยศาสตร์จริงๆนั้นข้อสําคัญอันหนึ่งก็คือจะต้องคิดได้อย่างนี้มองเห็นความเป็นไปอย่างนี้จึงจะพอรู้สึกว่าการเกิดเป็นทุกข์ ซึ่งทําไม่ยอมรับถึงการเวียนว่ายตายเกิดดังที่กล่าวมาแล้วจะไม่มีทางรู้สึกได้เลยว่าการเกิดเป็นความทุกข์และอีกอย่างหนึ่งการที่จะยอมรับในเรื่องตายแล้วเกิดนี้ได้นั้นก็จําเป็นจะต้องรู้แจ้งว่าตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์และตัณหานี่แหละคือตัวการทําให้เกิดตัณหาโปโนโภวิกา และตันหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงนี้ก็หมายถึงตันหาของตัวเองตันหาที่มีอยู่ในสันดานของตัวเองไม่ได้หมายถึงตันหาของพ่อแม่คนที่มีตันหาตายแล้วยังจะต้องเกิดอีกแน่นอนคนที่ยังตัดกลางมาตันหาหรือกามาราคะไม่ได้นั้นก็จะหนีจากการเกิดในท้องแม่ไม่ได้ และถึงแม้จะตัดการมาตัญหาได้แต่ถ้าภาวะตัญหายังตัดไม่ได้ก็ยังจะต้องเกิดอีกเว้นไว้แต่จะไม่มาเกิดในท้องแม่อีกเท่านั้นแต่จะไปเกิดเป็นโอปะปะติกะอยู่ในภพชั้นสุดทาวาสและจะได้สำเร็จเป็นภ้ารหันในภพนั้นโดยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกซึ่งเรื่องนี้ มีกล่าวไว้ในพระสูตรต่างๆมากมายหลายแห่งในคำพีพระไตรปิฎกทั้งที่เป็นพาษิทธ์ของพระพุทธเจ้าและพาษิทธ์ของพรอรหันตสาวกก็มีดังเช่นข้อความต่อไปนี้เป็นคำของพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ข้อที่ว่าเราย่อมกล่าวซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานี้ เราอาศัยอะไรกล่าวทิกษุทั้งหลายทิกษูในศาสนานี้สังอาจจากกรรมทั้งหลายส ง, งัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความสงบนั่นอยู่ธรรมเหล่าใดอันมีอยู่ในปฐมฌานนั้น คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมเหล่านั้นโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอื่นๆเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นคือประคองจิตให้ตั้งอยู่ในญาณที่รู้แจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้า ขั้นยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นคือขั้นเห็นแจ้งใจรักเช่นนั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปในอมตะธาตุคือนิพพานว่านี่สงบจริงหนอนี่ประนีจริงหนอที่นี้เองเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกิเลสเป็นที่ดับสนิท นี่คือ น, นิพพานภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะยังติดอยู่ในธรรมนั้นคือกุศลธรรมที่บรรลุยังเพลิดเพลิน อ, อยู่ในธรรมนั้นแต่เพราะสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำหมดสิ้นไปเธอย่อมไปเกิดเป็นโอปปะปิกาตกำเนิดในพรหมชั้นสุดท่าว่า จากปรินิพานในโลกนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาขอให้สังเกตจากข้อความที่กล่าวว่าแต่เพราะสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำหมดสิ้นไปเธอย่อมไปเกิดเป็นโอปปติกะกำเนิดในพรมชั้นสุดทาวาสจากปรินิพานในโลกนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดา และขอให้พิจารณาจากคำบาลีเทียบเคียงด้วยดังนี้ปัญจนาโอรัมพาคิยานังสังโยชนานังปริคยาโอปปาติโกโหติตัทธะปรลินิพายีอนาวัติธรรมโมตสมาโลกาหลักฐานที่ชัดที่สุดมีน้ำหนักมากที่สุดที่แสดงว่าโอปปปาติกะต้องมีแน่นอน และเป็นโอปปจิกะที่เป็นกายชิพอยู่ในปรโลกไม่ใช่โลกนี้เป็นชีวิตที่ตาธรรมดาของมนุษย์มองไม่เห็นเพราะเป็นอธิสมานกายหรือเป็นกายชี p นั้นก็คือข้อความอันที่อ้างมานี้และคําว่าโอปปจิกะในที่นี้จะไม่มีทางแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไปได้เลยอันหนึ่งข้อที่ว่า ชีวิตของโอปป้ติกะเป็นชีวิตที่จะทําให้รู้แจ้งเรื่องตายแล้วเกิดนั้นก็เพราะว่าคนที่ยังมีตันหาอยู่ตายแล้วยังจะต้องเกิดอีกนั้นถ้าจจทธิบายว่าหมายถึิงตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะพึงเข้าใจยากเพราะโดยธรรมดาทั่ ว, วไปผู้ที่ตายจากมนุษย์แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีนั้นหายากมาก แต่ตัวอย่างที่เห็นเสมอตลอดเวลาสำหรับท่านที่ได้ทิพจักสูตรนั้นก็คือคนที่ยังมีกิเลสเมื่อตายแล้วจะมีร่างกายเกิดใหม่ทันทีซึ่งร่างกายที่เกิดใหม่นั้นจะมีลักษณะเหมือนกายเนื้อทุกอย่างและเป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับกายเนื้อในขณะที่ยังไม่ตายคือสามารถเห็นอะไรได้ยินอะไรได้ เหมือนกับคนเราพูดจาสนทนากันได้ไปไหนมาไหนได้อย่างนี้เป็นต้นขอให้นึกถึงข้อความที่ว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้ฝึกสมาธิไปจนกระทั่งมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจและเห็นรูปทั้งหลายได้ซึ่งรูปที่เห็นนี้ก็คือเทวดาที่เป็นโอปปติกะทั้งหลาย แต่ครั้งแรกยังพูดเจรจากันไม่ได้ต้องฝึกสมาธิให้สูงขึ้นไปอีกขั้นจึงพูดเจรจาตายถามกับเทวดาทั้งหลายได้และอื่นๆและชีวิตที่เกิดใหม่หลังจากตายนี้ก็มีมากมายมีมากยิ่งกว่าชีวิตในโลกมนุษย์หลายร้อยหลายพันเท่าอันหนึ่งจากตัวอย่างของพวกโอปปฏติกาทั้งหลายนี้ ทำให้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโดยพระองค์เองอีกว่าสำหรับผู้ที่เป็นพระ้าละหันอาสวะกิเลสทั้งหลายในสันดานไม่มีแล้วนั้นจะไม่มีการเกิดอีกเลยคือหลังจากตายคือปรินิพานแล้วจะไม่มีนามารูปใดๆปรากฏอีกแต่ถ้ายังมีกิเลสเช่นตัณหาแม้ว่าจะมีเหลืออยู่น้อยเช่นอย่างพระนาคามี ก็ยังจะต้องเกิดอีกโดยเกิดเป็นโอปปปฏิกะอยู่ในภพชั้นสุดท่าว่ามีอายุยืนนับเป็นกับกับลองคิดดูถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงมีตาชิฟไม่ได้เห็นชีวิตที่เรียกว่าโอปปปฏิกาทั้งหลายแล้วพระองค์จะทรงกล้ายืนยันได้หรือว่าตัณหานี่แหละคือตัวการที่ทาให้ต้องเกิดแล้วเกิดอีก ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าไม่รู้เรื่องชีวิตในโลกของโอปะปะติกะไม่ยอมรับว่าชีวิตอย่างนี้มีนั้นจะไม่มีทางเข้าใจแจ่มแจ้งเลยว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วจะต้องเกิดอีกเพราะจะไม่มีตัวอย่างหรือข้อมูลใดๆที่จะทําให้เข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดง่ายและแจ่มแจ้งเท่ากับเรื่องของโอปะปะติกะ และพร้อมกันนั้นก็จะทำให้เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องวิบากของกรรมอย่างแจ่มแจ้งอีกด้วย 3. วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปประเด็นที่นับว่าสําคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดในอันที่จะต้องเรียนรู้เรื่องโอปะปะติกะและจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ด้วยก็คือชีวิตของโอปะปะติกะเป็นข้อมูลที่ทำให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเราคือร่างกายเกิดมาจากวิญญาณของเรา วิญญาณ น, นี่แหละคือตัวธรรมชาติที่สร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมาที่พูดกันว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติสุดแล้วแต่ธรรมชาติจะสร้างขึ้นมานั้นตัวธรรมชาติในความหมายดังที่กล่าวนี้ก็คือวิญญาณที่มาปฏิสนธิในท้องแม่นั่นเองตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้ว่าดูก่อนอา น, น์ ถ้าวิญญาณจากไม่ก้าวลงสู่ท้องข้ามารดานามารูปจะพึงเกิดในท้องข้ามารดาได้หรือมิได้พระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุนี้และอานน์เราจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปที่ว่าเรื่องของโอปะปะจิกะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปทั้งนี้ก็เพราะ คนทั่วโลกไม่ว่าที่ไหนนในโลกจะเข้าใจกันแต่เพียงว่าคนเราเกิดมาจากท้องแม่เกิดมาจากการผสมพันธุ์เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติและถ้าจะถามว่าทาไมคนเราในเมื่อมีการผสมพันธุ์กันแล้วถ้าทั้งคู่ไม่เป็นหมันร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆอันจะเป็นอุปสรรคทำให้มีลูกไม่ได้ เด็กก็ต้องเกิดในท้องแม่แน่นอนถ้าถามอย่างนี้คนทั่วไปไม่ว่าคนธรรมดาหรือคนที่รอบรู้ในเรื่องชีววิทยาในเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีความเข้าใจและเชื่อกันอย่างนี้ทั้งนั้นจะไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนนึกถึงเรื่องวิญญาณวิญญาณคือตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดมา และในเมื่อไม่รู้เรื่องวิญญาณตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เขาก็จะมองไม่เห็นว่าคนเราตายที่ว่าจะต้องเกิดอีกนั้นเกิดได้อย่างไรมีอะไรไปเกิดผีสางเทวดาหรือโอปปิสิกะทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบุญบาปมีอยู่ที่ไหนนรกสวรรค์มีอยู่ที่ไหนเรื่องต่างๆในทํานองนี้จะไม่มีทางเข้าใจเลย ในเมื่อไม่รู้ว่าวิญญาณคือตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราต้องเกิดมาแต่ถ้าเมื่อใดเชื่อว่าโอปะปะติกะมีคือโอปะปะติกะในสภาพของกายทิพซึ่งเป็นกายที่เกิดจากใจล้วนๆโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่และมีรูปร่างลักษณะอวัยวะต่างๆเหมือนกายเนื้อทุกอย่างเป็นชีวิตซึ่งอยู่ในปรโลก ไม่ใช่ในโลกนี้เป็นอธิสมานกายถ้าเข้าใจเรื่องการเกิดของโอปะปะติกะและเชื่อว่าโอปะปะติกะมีจริงดังที่กล่าวมานี้แล้วเขาก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากเลยถึงปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาน้นและพร้อมกันนั้นเขาก็จะยอมรับว่าร่างกายของเราเกิดมาจากวิญญาณของเราเอง พ่อแม่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่จําเป็นในการเกิดของคนเรานั้นไม่ใช่ปัจจัยสําคัญไม่ใช่ต้นเหตุไม่ใช่ตัวการที่ทําให้คนเราเกิดมาเพราะจากตัวอย่างในเรื่องของโอปะปะิกะนี้เห็นได้ชัดว่าไม่มีพ่อไม่มีแม่คนเราก็เกิดได้ถ้าหากวิญญาณยังมีอยู่คือไม่สูญและวิญญาณจะสูญคือดับสนิทไม่เกิดอีก ก็ต่อเมื่อเป็นพระาราหันกิเลสในสันดานไม่มีแล้วเท่านั้นนอกจากนี้ทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกทั้งสิน้นและคําว่าเกิดอีกนั้นหมายความว่าจะต้องมีตัวตนมีนามารูปเกิดขึ้นมาอีกสิ่งที่ทําให้มีตัวตนมีนามารูปเกิดขึ้นมาอีกก็คือวิญญาณทั้งนี้ก็เพราะโอปปจิกะเป็นสิ่งที่มีชีวิต เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งมีรูปร่างเหมือนกายเนื้อถอดแบบไปจากกายเนื้อและจะต่างจากกายเนื้ออยู่ประเด็นเดียวคือกายเนื้อเป็นกายหยาบโอลาริกรูปส่วนโอปะปะติกะเป็นกายละเอียดสุขุมมรูปฉะนั้นจึงมองด้วยตาธรรมดาอย่างของมนุษย์ไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะผู้มีตาทิพเท่านั้น แต่บางคนถ้ามีตาเป็นสื่อก็อาจจะเห็นพวกนี้ได้บ้างในบางครั้งโดยไม่ต้องมีตาทิพย์ก็มีเหมือนกันอันหนึ่งการที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าชีวิตทุกชีวิตคือไม่ใช่เฉพาะแต่คนเท่านั้นบรรดาสิ่งที่มีชีวิตที่มีใจคลองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดไหน ทุกชีวิตก็ล้วนแต่เกิดมาจากวิญญาณของตนเองทั้งสิ้นนั้นก็เพราะได้ทรงมองเห็นด้วยทิพยจักษุว่าในโลกของวิญญาณหรือในโลกทิพนั้นก็มีสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันและมีทุกชนิดเท่าที่มีอยู่ในโลกมนุษย์แม้กระทั่งสัตว์ที่สูญพันธ์ไปจากโลกมนุษย์แล้วสัตว์เหล่านี้ก็ยังมีตัวตนปรากฏอยู่ในโลกของโอปะปะติกะ พระพุทธเจ้าอาศัยข้อมูลต่างๆจากชีวิตในโลกของโอปปติกะนี่แหละที่ทําให้พระองค์เกิดความคิดว่าคนเราน่าจะเกิดมาจากวิญญาณของตนเพราะในเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดูเรื่องการเกิดของคนในโลกมนุษย์พระองค์ก็ทรงมองเห็นด้วยทิประจักษ์สูตรอีกว่าคนที่จะเกิดมาในท้องแม่ น, นั้น จะต้องเป็นโอปปปฏิกะมาเกิดเสมอไม่มีข้อยกเว้นเลยและเมื่อทรงพิจารณาดูคนที่กำลังจะตายก็ทรงมองเห็นอีกว่าทุกคนที่มีกิเลสเมื่อจ ะ, จะตายก็จะต้องมีกายชิพเกิดขึ้นซึ่งเป็นกายที่มีรูปร่างลักษณะมีอวัยวะต่างๆเหมือนกับกายเนื้อทุกอย่างและไม่ใช่แต่คน สัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างเดียวกันนี้และยิ่งกว่านั้นในเมื่อพระองค์ทรงต้องการจะไปไหนมาไหนหรือทำอะไรอย่างพวกโอปปาติกะพระองค์ก็สามารถที่จะทรงเดรมิดกายทิพย์ซึ่งเป็นกายที่เกิดจากใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์บริบูรณ์เหมือนกายเนื้อได้อีกข้อมูลต่างๆเหล่านี้คือ 1. จากคนที่ตายซึ่งจะต้องมีกายชิบเกิดขึ้น 2. จากคนที่จะเกิดจะต้องเป็นโอปปจิกะมาเกิดในท้องแม่ 3. จากกายเนรมิตของผู้ที่ได้มโนมยิทธิ 4. และข้อมูลจากพาระราหันที่ว่าเมื่อกิเลสในสั้นดานไม่มีแล้วก็จะไม่เกิดอีก ไม่มีนามารูปใดๆเกิดมาอีกหลังจากตายนอกจากนี้ก็ยังจะต้องเกิดอีกทั้งนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละในเมื่อ น, นำมาพิจารณาโดยละเอียดแล้วจึงทำให้รู้แจ้งว่าชีวิตทุกชีวิตย่อมเกิดมาจากวิญญาณของตนคือวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามารูปและในที่สุดก็ทรงรู้แจ้งถึงการเกิดการดับ ของวิญญาณโดยตลอดซึ่งเป็นไปาตามกฎของปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปอย่างนี้เป็นต้น ไม่รู้แจ้งวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปก็ละสักกายทิฐิไม่ได้คุณสมบัติของพระโสดาบันเท่าที่รู้กันทั่วไปนั้นก็มักจะรู้กันแต่เพียงว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้สามอย่างคือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตปรามานส่วนคุณสมบัติอื่นๆอีกหลายอย่าง ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เหมือนกันนั้นส่วนมากมักจะไม่ค่อยรู้กันเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ประกอบด้วยโสตาปฏิยังฆะสีและเป็นผู้เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาซึ่งอริยายะธรรมเมื่อปรารถนาจะพยากรตนเองก็พึงพยากรได้ว่าเรามีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดสัตยรฉ า, านสิ้นแล้ว มีอบายทุกติวินิบาตสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกตามอีกเป็นธรรมดาในอนาคตคือไม่เกินเจ็ดชาติเที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสรู้คือเป็นผ้ารหันแน่นอนคำว่าโสดาปฏิยัง่าสี่นั้นหมายถึงองค์ของพระโสดาบันสี่อย่างกล่าวคือพระโสดาบันทุกองค์ ย่อมประกอบไปด้วยคุณลักษณะสี่ประการนี้คือหนึ่งเป็นผู้มีประษาท่มั่นคงในพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอราหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะเป็นต้น 2. เป็นผู้มีปภาษาท่มั่นคงในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วเป็นต้นส เป็นผู้มีปรษาาตะมั่นคงในพระสงฆ์ว่ามูแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้น 4. เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะคือศีลในองค์มรรคซึ่งได้แก่สัมมาวาจาสี่สัมมากัมมันตะสามโสตาปฏิยังฆะมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าหน้าสี9ร้อยแ ข้อพันห้า็ดสและที่อื่นๆอีกหลายแห่งส่วนข้อที่ว่าพระโสดาบันเป็นผู้เห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งอริยายะธรรมนั้นคําว่าอริยายะธรรมในคํานี้หมายถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้ดังนี้ก็อริยายะธรรมที่อริยาสาวกเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญานั้นคืออะไร ขหวดีอริยสาวกในศาสนานี้ย่อมกระทำซึ่งโยนิโส ม, มานสิกานคือพิจารณาโดยถูกทางพิจารณาเป็นพิจารณาโดยแยบขายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุบาทว่าเมื่อมีอันนี้อันนี้ก็ย่อมมีเพราะอันนี้เกิดอันนี้ก็ย่อมเกิดเมื่ออันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเพราะอันนี้ดับอันนี้ก็ย่อมดับ กล่าวคือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจะเกิดขึ้นดังนี้เป็นต้นจากคำอธิบายดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดไม่ได้ก็คือพระโสดาบันทุกองย่อมรู้แจ้งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทและคาว่ารู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาทในความหมายอันหนึ่งก็คือ รู้แจ้งโดยตนเองว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปซึ่งในเมื่อจะพูดอย่างสำนวนไทยก็คือรู้แจ้งว่าตัวเราคือร่างกายเกิดมาจากวิญญาณของเราตามหลักที่ว่าถ้าวิญญาณจากไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามรูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือดังนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องนี้ได้ที่บายมามากแล้ว โปรดสังเกตไว้ด้วยว่าพระริยะบุคคลทุกองค์ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าปอราโลกมีโอปปปติกะมีและจากความเข้าใจว่าชีวิตของโอปปปติกะทั้งหลายเป็นอยู่อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรจากความรู้ในเรื่องนี้จึงทําให้เข้าใจชัดว่าร่างกายของคนเราเกิดมาจากวิญญาณของเราเอง เพราะชีวิตของพวกโอปปจิกาทั้งหลายนั้นถอดแบบไปจากกายเนื้อมีอวัยวะต่างๆเหมือนกายเนื้อทุกอย่างและก็เกิดขึ้นได้จากวิญญาณเขาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เลยไม่ต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นได้ซึ่งไม่เหมือนกับการเกิดของคนต้องอาศัยพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่เกิดไม่ได้ และยังต้องอาศัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอีกเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมก็เกิดไม่ได้เช่นอย่างปลาต้องอาศัยน้ำเกิดน้ำเป็นของธรรมชาติอย่างหนึ่งทั้งที่ปลาเกิดจากไข่แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยไม่เช่นนั้นก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงได้กล่าวว่า โอปะปะฏิกาทั้งหลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยเข้าใจในเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอันหนึง่งโดยธรรมดาของปู้ทุชนทั่วไปย่อมยึดมั่นในร่างกายของตนเหนียวแน่นมากถือว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของของเราอย่างจริงจังปล่อยวางไม่ได้เลยซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนเราเป็นห่วงตัวเองมากที่สุด ซึ่งตัวที่เราเป็นห่วงกันมากที่สุดนี้ก็คือร่างกายจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตและเพื่อความสุขสบายของร่างกายเช่นเป็นห่วงกลัวร่างกายจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้กลัวว่าร่างกายจะสกปรกกลัวว่าจะไม่มีที่พักอาศัยหลับนอนเป็นห่วงเรื่องปากท้องความเป็นห่วงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เป็นห่วงเรื่องร่างกายทั้งสิ้นส่วนจิตใจหรือวิญญาณไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะคิดว่าเมื่อร่างกายยังอยู่ยังไม่ตายวิญญาณก็ยังอยู่ถ้าร่างกายสบายจิตใจก็สบายคือยกความสาคัญไปให้กับร่างกายเกือบทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรจึงมุ่งแต่เรื่องร่างกายเรื่องวัตถุเป็นใหญ่ และความสุขทางใจหรือความเบิกบานซ้ำราญใจทั้งหลายนั้นก็เข้าใจกันว่ามีสาเหตุใหญ่มาจากทางร่างกายกันเกือบทั้งนั้นเช่นความสุขจากการกินจากการหลับนอนจากการเสพกามเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นความสุขที่ทุกคนพอใจอย่างมากและแสวงหากันอยู่เสมอนานทุกคนก็มองแต่ในแง่ว่า สิ่งเหล่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อต้องมีชีวิตมีร่างกายและร่างกายนั้นต้องแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงจะแสวงหาความสุขเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ยึดถือร่างกายเป็นจุดสำคัญในการดำรงชีวิตทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้ร่างกายอยู่รอดขอให้สังเกตว่า คนเหล่านี้ไม่รู้ความจริงของชีวิตเลยเป็นคนตาบอดอยู่ในความมืดตลอดเวลาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนอันนี้ฝังใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีมาตั้งแต่กำเนิดแล้วและยังจะต้องมีอีกจนกระทั่งตายตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังคงเข้าใจผิดอีกหลงผิดอีกเหมือนเดิมความเข้าใจผิดหรือความหลงผิดเหล่านี้ จะมีอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่ยังเป็นปุถุชนส่วนพระริยาบุคคลทั้งหลายท่านละส ก, กายาทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิคือความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้และแล้วท่านก็จะไม่มีทุกข์เหมือนกับปุถุชนทั้งหลายดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับโมคราชมานพว่าโมคราช เธอจงมีสติมองดูโลกให้เห็นเป็นของว่างเปล่าอยู่เสมอทุกขณะจิตเมื่อถอนอัตตานุทิทิได้แล้วก็จะอยู่เหนือความตายข้าพ้นจากความตายได้ผู้ที่มองดูโลกเช่นนี้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นสุญญโตโลกังอเวขัดสุโมคราชาสทาสโตอัตตานุทิถิงอูหัดจะ เอวังมัจจุตโรศยาเอวังโลกังเอเวขันตังมัจจุราชาณปัสติขอให้สังเกตว่าผู้ที่ถอนความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตนได้แล้วแม้แต่ความตายก็ไม่อาจทำให้เขาเป็นทุกข์ซึ่งผิดกับปุทุชนทั้งหลายปูทุชนทั้งหลาย น, านั้นกลัวตายมากที่สุดและเป็นทุกข์เพราะกลัวตายมากกว่ากลัวอย่างอื่นทั้งหมด ฉะนั้นพระริยะบุคคลทั้งหลายในเมื่อไม่กลัวความตายความตายไม่ทําให้เป็นทุกข์แล้วความทุกข์อย่างอื่นก็ไม่มีความหมายคือไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงสักเพียงไรก็ตามก็จะไม่เกิดความวิตกกังวลหรือความเศร้าโศกเสียใจหรือทุกข์ใดๆเพราะจะมีการปล่อยวางได้อยู่เสมอการละสักกายทิฐิได้นั้น เป็นเรื่องใหญ่และสาคัญมากเพราะโดยธรรมดาของคนทั่วๆไปล้วนแต่มีส ก, กายะทิฐิเหนียวแน่นและหยาบคายเป็นส่วนใหญ่และละได้ยากที่สุดแต่ผู้ใดก็ตามในเมื่อมารู้แจ้งโดยตนเองว่าร่างกายไม่สาคัญวัตถุทั้งหลายก็ไม่สาคัญจิตใจสาคัญกว่าจะสุขหรือทุกข์สาคัญอยู่ที่ใจ ซึ่งถ้ารู้ซึ่งในเรื่องนี้เขาก็ย่อมจะต้องพยายามรักษาจิตใจของตนไว้ให้ดีคือไม่ให้ใจสกปรกมิให้เป็นโรคทางใจมิให้ใจตกต่ำมิให้หมดกําลังใจอย่างนี้เป็นต้นซึ่งวิธีการรักษาใจมิให้สกปรกมิให้เกิดโรคทางใจนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆแล้วก็คือพยายามปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ให้เกิดในสันดานให้มากที่สุดคนที่ทำความชั่วอยู่เสมอจิตใจย่อมเศร้าหมองไม่ผ่องใสและเกิดความอ่อนแอตกเป็นาธาตุอารมณ์เป็นทาตสิ่งแวดล้อมได้ง่ายส่วนคนที่ทำความดีอยู่เสมอนั้นตรงกันข้ามจิตย่อมผ่องใสบริสุทธิ์และมีกำลังทางจิตใจสูงบังคับจิตใจของตน ไม่ให้ตกเป็นธาตุอารมณ์และสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าและการละศั ก, กายอาทิฐินั้นจะทำได้ง่ายมากในเมื่อรู้แจ้งว่าร่างกายเกิดจากวิญญาณเมื่อถึงเวลาตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นแต่วิญญาณไม่ตายไม่สูญในเมื่อยังต้องการอยากมีชีวิตอยู่เราก็จะมีอยู่ตลอดไปชัว่วนิรันดร์ ตราบเท่าที่เรายังไม่เบื่อต่อการมีตัวตนหรือมีนามรูปใครๆหรืออะไรๆก็ตามจะมาฆ่าหรือทำให้เราตายไม่ได้ถ้าเขาจะฆ่าได้ก็ฆ่าได้แต่ร่างกายเท่านั้นจิตใจวิญญาณของเราใครๆหรืออะไรอะไรก็ฆ่าไม่ได้นอกจากตัวเองจะทำลายวิญญาณคือตัวเองด้วยการทำความชั่วเพราะความหลงผิดเท่านั้น ผู้ที่รู้แจ้งในเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปจะซึ่งในสัจธรรมทั้งหมดดังที่กล่าวมาฉะนั้นจะเห็นว่าการรู้แจ้งในเรื่องวิญญาณสร้างนามรูปนี้จึงสําคัญมากแต่ก็ขอได้โปรดจาไว้ให้แม่นว่าผู้ที่จะรู้แจ้งในเรื่องวิญญาณสร้างนามรูปนั้นจะต้องยอมรับว่าโอปะปะติกะมี และเข้าใจแจมแจ้งในสภาพของโอปปะปติกะว่าเป็นอยู่อย่างไรเกิดมาจากอะไรและนั่นต้องหมายความด้วยว่าถึงแม้จะเชื่อว่าโอปปะปติกะมีก็จริงแต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องโอปปะปติกะให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่าแปลความหมายเป็นอย่างอื่น สรุปเรื่องกำเนิดที่สี่การไม่เชื่อว่าโอปะปะติกะมีหรือเชื่อว่ามีแต่แปลความหมายของคำนี้เป็นอย่างอื่นไม่ตรงกับความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็จะมีผลคล้ายๆกันกับการไม่เชื่อเหมือนกันคือเป็นมิจฉาทิฐิและเป็นมิจฉาทิฐิที่ร้ายแรงคือเป็นอุเฉททิฐิ ซึ่งผู้ที่เป็นอุเฉททิชิน้นถ้าเป็นในขั้นร้ายแรงหรือขั้นที่ดิ่งไปทางเดียวซึ่งเรียกว่าเป็นนิยตะมิชาทิฐิถ้าเป็นถึงขนาดนี้ก็แปลว่าจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ซึ่งในคำพีใช้คำว่าสักขาวรานังมักขาวรานังแปลว่าห้ามสวรรค์ห้ามมักแต่ถ้าเป็นในขั้นที่ไม่ดิ่งไปทางเดียว และไม่ได้ประกอบกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจคือไม่มีกายยะทุจริตพจีทุจริตเมโนทุจริตหรือมีแต่ไม่มากส่วนใหญ่ก็ยังเว้นจากความชั่วได้ต่างๆและทำดีอยู่เสมอซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ถึงกับห้ามสวรรค์คือยังไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปสวรรค์ชั้นสูงไม่ได้ แต่ตราบใดที่ยังไม่ค่อยเชื่อว่าโอปปาติกะมีคือเชื่อเหมือนกันแต่ก็ยังมีความลังเลสงสยัยหรือความไม่แน่ใจอยู่เสมอซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นการแน่นอนว่าไปนิพพานไม่ได้แน่ที่ว่าไปนิพพานไม่ได้แน่นั้นทั้งนี้ก็เพราะวิจิกิจฉาความสงสัยหรือความไม่แน่ใจนั้นเป็นสังโยชน์อันหนึ่ง ที่ผู้จะบรรลุถึงนิพพานจะต้องละได้ขาดทั้งนี้ก็เพราะสังโยชน์สามอย่างคือสักกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาภรามาตทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่พระโสดาบันละได้ขาดและถ้าหากยังมีเหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยก็จะบรรลุถึงโสดาคือกระแสนิพพานไม่ได้คำว่าโสดาบัน มาจากคำว่าโสตะบวกอาปันนะแปลว่าผู้แรกถึงโสตะเพราะเหตุนี้จึงกล่าวว่าถ้ายังไม่แน่ใจจริงๆว่าโอปะปะติกะมีก็บรรลุถึงนิพพานไม่ได้และอีกประการหนึ่งขอให้สังเกตว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นบรรดาณทิกะทิฏฐิสิบทั้งหมดคือนิฏฐทิทินังนัฏฐิยิดถัง นัทิหูตังเป็นต้นนี้พระโสดาบันไม่มีเลยซึ่งถ้ามิชฌาทิฐิเหล่านี้ไม่มีก็หมายความว่าพระโสดาบันมีความเชื่ออย่างแน่นแฟนไม่มีความเครือบแคลงสงสัยเหลืออยู่เลยกล่าวคือมีความเชื่อว่าอัติทิ น, นังการให้ทานมีผลและอื่นๆอัติโอปปาติกา โอปปปฏิกะมีอย่างนี้เป็นต้นขอให้พิจารณาดูข้อความในพระสูตรนี้ให้ละเอียดอ่านทบทวนดูหลายๆครั้งแล้วจะเข้าใจซึ่งว่าเหตุไรผู้ที่เชื่อว่าโอปปตฏิ ก, ะ, ะ, ฏกะไม่มีจึงไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญมากกว่าประเด็นอื่นๆก็คือพระโสดาบันทุกองค์จะต้องรู้แจ้งว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปวิญญาณคือตัวธรรมชาติที่สร้างชีวิตตัวเราคือร่างกายเกิดมาจากวิญญาณของเราพระโสดาบันรู้แจ้งเรื่องนี้ด้วยตนเองและชีว่ารู้แจ้งด้วยตนเองก็เพราะพระโสดาบันรู้ดีว่าทุกคนที่ยังมีตัณหาตายแล้วจะต้องเกิดอีก ตัวอย่างหรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจหลักเหล่านี้แจ่มแจ้งก็คือชีวิตของพวกโอปปติกาทั้งหลายนั่นเองและท่านเข้าใจเป็นอย่างดีอีกด้วยชีวิตพวกนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรเกิดมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรท่านรู้แจ้งด้วยตนเองทั้งสิน้นซึ่งข้อนี้เราจะเห็นได้จากหลักฐาน ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเป็นคําถามก่อนดังนี้โกอิมังปัทวิงวิเชสติยมะโลกาจจะอิมังสเทวังังใครจักรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้ใครจักรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกครั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเฉลยเองว่าเสโคปัทวิงวิเชสติ ยะมะโลกันจากอิมังสเทวากังพระเสขะจากรู้แจ้งซึ่งแผ่นดินนี้พระเสขะจากรู้แจ้งซึ่งยมโลกซึ่งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกจากธรรมบทภาคสามปัทวีกถาคำว่าแผ่นดินนี้อิมังปัทวิงในอัจฉริยอธิบายว่าได้แก่อัจภาพนี้อิมังอัตตภาวสังขาต่างปัทวิง และคําว่ารู้แจ้งวิเชษสติท่านก่อธิบายว่าหมายถึงการรู้แจ้งแทงตลอดกระทําให้แจ้งด้วยญาณของตนวิเชษสติติอัตโนชาเนนะวิชานิสติปฏิวิชิสติสัชกริสติติอัทโถคําว่ายมาโลกหมายถึงอบายโลกสี ยะมะรโลกันจาติจะตุปพิทงังยะมะรโลกันจะคคำว่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกท่านอธิบายว่าหมายถึงโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกทั้งหลายคือสวรรค์หกชั้นพรหมโลกสิบหกชั้นคำว่าพระเสขะหมายถึงภรริยาบุคคลผู้ได้โสดาปติมัคไปจนกระทั่งได้อรหัตตมัครเรียกว่าพระเสขะ ส่วนพระราหันเรียกว่าอาเสขะอันหนึ่งมีข้อที่ควรจดจาไว้อีกอย่างหนึ่งกล่าวคือท่านอธิบายว่าผู้ที่จะได้เชื่อว่ารู้แจ้งอัตภาพจริงๆนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ละฉันทราคะหรือนำฉันทราคะในร่างกายนี้ออกได้หมายความว่าผู้ที่จะได้เชื่อว่าเป็นพระโสดาบัน ซึ่งเป็นผู้ที่รู้แจ้งอัตภาพนี้ได้จริงๆจะต้องละฉันทราคะคือความรักใคร่พอใจในร่างกายนี้ได้ด้วยซึ่งในเมื่อละฉันทราคะได้ก็หมายถึงอุปาทานในร่างกายก็มีน้อยเพราะตามหลักของปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานถ้าตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มี ตัณหาน้อยอุปาทานก็น้อยฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ทีละฉันทราคะในอัตภาพมีได้นั้นก็คือผู้ทีละสักกายทิฏฐิได้นั่นเองและเพราะละฉันทราคะได้นี่แหละจึงได้พบกับกระแสนิพพานคือความสงบภายในซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังยะทิตัง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 ประเด็นสำคัญมีอยู่ว่าถ้าไม่รู้แจ้งว่าร่างกายเกิดจากวิญญาณเมื่อเวลาตายก็ทายแต่ร่างกายเท่านั้นแต่วิญญาณไม่สูญแล้วจะต้องมีร่างกายหรือมีอัตภาพเกิดขึ้นมาอีกหลังจากตายเพราะทุกอย่างเกิดจากใจและไม่เฉพาะแต่ร่างกายเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมเช่น เสื้อผ้าอาหารที่อยู่และอื่นๆก็เกิดขึ้นได้จากใจและจะเกิดขึ้นอย่างดีด้วยในเมื่อจิตใจสมบูรณ์ไปด้วยบุญกุศลบาปอกุศลในใจไม่มีเขาก็จะละสกายาทิฏฐิไม่ได้แน่นอนแต่เพราะรู้แจ้งอย่างนี้สำหรับผู้ที่ยังจะต้องเกิดอีกเพราะยังละตันหาได้ไม่หมดนั้น จึงไม่กลัวตายไม่เป็นห่วงตัวเองไม่กังวลถึงสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะแน่ใจว่าถึงตายแล้วเราก็ยังอยู่และจะเป็นอยู่อย่างสบายยิ่งกว่าอยู่ในกายเนื้อเสีอีกขอได้โปรดจำให้ดีว่าผู้จิจละฉันทราคะในร่างกายนี้ได้จะต้องรู้แจ้งอย่างนี้และต้องไปการรู้แจ้งโดยตนเอง ไม่มีความสงสัยเครือบแคลงใดๆเหลืออยู่และต้องเป็นการละชันทราคะในร่างกายได้เท่านั้นจึงจะละอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ได้จริงๆและจงพิจารณาดูอีกว่าถ้าเขาไม่แน่ใจว่าถึงแม้ร่างกายนี้ไม่มีแต่เขาก็จะมีร่างกายใหม่ซึ่งดีกว่าเก่ามากมาย และก็เป็นที่ประจักษ์แก่ใจตนเองแล้วว่าเพราะละฉันทราคะในร่างกายนี้ได้ในใจจึงได้มีสงบเยือกเย็ยนอย่างนี้และทําให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายด้วยฉะนั้นจึงทําให้แน่ใจว่าต่อห น, นี้ไปชีวิตของเขาจะไม่มีทางตกต่าหรือทุกยากลาบากใดๆต่อไปแล้วชีวิตมีอิสระแล้ว เลือกที่เกิดได้ตามใจแล้วและถึงแม้ว่าเขาอาจจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแต่เขาก็แน่ใจว่าจะไม่มีความทุกข์ยากลาบากเหมือนผู้ที่ยังอยู่ในอบายภูมิหรือผู้ที่อยู่ข้าบเส้นระหว่างอบายภูมิกับสุขติภูมิอย่างแน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างก็คือเขาไม่มีทางจะตกต่ำอีก ไม่ว่าจะเป็นการตกต่ำในทางร่างกายหรือจิตใจก็ไม่มีอีกอย่างแน่นอนนี่แหละคืออันนี้สงอันแท้จริงและแน่นอนสำหรับผู้ที่เชื่อว่าโอปะปะติกะมีซึ่งเป็นการเชื่ออย่างมั่นคงและเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายหรือเชื่ออย่างไม่รู้เหตุผลธรรมมาบรรยายเรื่องกาเนิดที่สี่ จากข้อเขียนของอาจา ร, รย์พรรัตนสุวรรณจบเพียงเท่านี้